พลันสมภารวัดป่ามะม่วงรับสายสร้อยทองคำจากสตรีผู้นั้นไว้ครบสามวันเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านกำลังฉันพัตตาหารอยู่ที่กุฏิชั้นล่างสาวรุ่นรุ่นสองคนก็เข้ามาในกุฏิเนนเฉลียวกำลังรอรับใช้ท่านอยู่ห่างๆเห็นสองสาวก็ถึงกับตาเป็นประกายวาบวาับเชิญ น, นั่งก่อนจะ้ะท่านสมภารกาลังฉันเช้าอยู่ แต่ว่าโยมมหาใครอาตมาหรือว่าท่านสมภารเนีน่หนุ่มสำคัญตนผิดเราสองคนจะมาหาท่านสมภารวัดป่ามะม่วงจะ่ะหนึ่งในสองสาวตอบโยมมาจากไหนจะ๊ะมีธุระอะไรกับสมภารหรือเปล่ามาจากปากน้ำโพ ค, ค่ะมีธุระกับท่านสมภาร ธุระสำคัญค่ะมีอะไรหรือหนูพระเจริญรูปชอนและซ่อมทั้งที่เพิ่งฉันไปได้สามคำท่านไม่อยากให้ใครมารอขณะกำลังฉันยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแล้วจึงบอกให้เนรเก็บสำรับคือหนูกับน้องสาวมาจากปากน้ำโพ ค, ค่ะเทวดาไปเข้าฝันบอกว่าสมพานวัดป่ามะม่วง มีของขวัญจะให้ให้มารับวันนี้พระเจริญไม่รู้สึกแปลกใจเพราะท่านรู้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเทวดามายุ่งอะไรกับมนุษย์ละ่ะเป็นเทวดาก็น่าจะอยู่ส่วนเทวดาสิท่านตั้งใจว่ารู้ว่าผู้ถูกว่าต้องได้ยินหนูก็ไม่ทราบค่ะ เทวดาเขาบอกต้องมาให้ได้มารับของขวัญแล้วจะร่ำรวยเขาบอกหรือเปล่าว่าของขวัญ น, นั้นเป็นอะไรท่านถามเพื่อต้องการทดสอบไม่รู้ค่ะเขาบอกว่ามีคนเอามาถวายเมื่อสามวันก่อนหนูก็ไม่รู้ว่ามีคนเอาของอะไรมาถวายท่านสมภารหรือเปลา่า แล้วท่านจะให้หนูกับน้องไหมถ้าไม่ให้เราก็จะพากันกลับค่ะคนเป็นพี่สาวพูดหล่อนไม่อยากได้ของขวัญแต่ที่ต้องมาเพราะอยากพิสูจน์ว่าวัดป่ามะม่วงมีจริงดังที่เทวดาบอกหรือไม่เรียกหลวงพ่อดีกว่าหนูเอาละหลวงพ่อจะให้มีคนเข้าเอาทองมาถวาย หลวงพ่อจะไม่รับเขาขยันขยอหลวงพ่อเลยบอกว่ารับฝากไว้ก่อนแต่ถ้าเทวดาบอกให้หนูมารับหลวงพ่อก็จะให้รอเดี๋ยวนะท่านขึ้นไปข้างบนประเดี๋ยวหนึ่งก็ลงมาถือห่อผ้าสีตุ่นๆลงมาด้วยท่านวางห่อผ้านั้นไว้ตรงหน้าคนพี่บอกว่าเอา้า เอาไปแบ่งเท่าๆกันแล้วนำไปขายเอาเงินไปเลี้ยงพ่อแม่นะหญิงสาวหยิบห่อนั้นขึ้นมาสิ่งที่สายตาสัมผัสทำให้หล่อนร้องออกมาว่ามีใสายสร้อยทองนี่คะ่ะหลวงพ่อให้หนูกับน้องจริงๆหรือจริงสิหนูเอาไปแบ่งกันนะหลวงพ่อดูแล้วเป็นทองจริง ไม่ใช่ทองเก๊คงหนักหลายบาทนะคะขอบคุณหลวงพ่อเหลือเกินขอบคุณค่ะหล่นก้มลงกราบสามครั้งน้องสาวทําตามพ่อแม่ยังอยู่ใช่ไหมสมภารวัดป่ามะม่วงถามอยู่แต่พ่อค่ะแม่ตายหลายปีแล้ว และพ่อกำลังจะมีเมียใหม่หนูกับน้องก็เลยคิดจะพากันหนีพ่อไปอยู่กับป้าที่เชียงรายอย่านะหนูทิ้งพ่อทิ้งแม่บาปกรรมมากนะต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สิหลวงพ่อขอบอกนะว่าทองเส้นนี้ให้หนูนําไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อแล้วหนูจ ะ, จะเจริญ ก็เขาจะมีเมียใหม่นี่คะน้องสาวเป็นคนพูดหนูกับน้องก็เลยจะทิ้งเขาไว้ให้เมียใหม่เลี้ยงพี่สาวช่วยเสริมทําอย่างนั้นไม่ได้ถ้าทําหนูสองคนก็จะได้ชื่อว่าเป็นลูกอากตันยูคนที่อากตันยูต่อผู้มีพระคุณทำมาหากินไม่ขึ้น ค้าขายก็ขาดทุนทำราชการก็ไม่เจริญดีไม่ดีจะถูกไล่ออกเชื่อหลวงพ่อเถอะอย่าทิ้งพ่อไปเขาจะมีเมียใหม่ก็เรื่องของเขาเราก็ทำหน้าที่ของลูกไปเข้าใจไหมแม่เลี้ยงเขาจะมาดูแลพ่อของเราดีเท่าเราหรือขอให้เชื่อหลวงพ่อสักครั้งนะหนูนะ คำพูดของสมภารหนุ่มทำให้สองสาวถึงกับน้ําตาคลอที่คิดกันไว้ว่าจะหนีพ่อไปอยู่กับป้าก็เป็นอันล้มเลิกใครเลยอยากจะเป็นลูกอากตันยูสองพี่น้องลากลับไปได้สักพักสองผัวเมียก็เข้ามาในกุฏิกราบสมภารแล้วคนเป็นเมียก็พูดขึ้นว่า ท่านสมพานจำฉันกับพวกบ้านได้ไหมจ๊ะโยมจะมารับสายสร้อยที่ฝากไว้ใช่ไหมอาตมาเพิ่งให้เข้าไปเดี๋ยวนี้เองแต่เอาเถอะอาตมาจะเอาของโยมยายให้แทนก็แล้วกันท่านรีบบอกด้วยเกรงสองผัวเมียจะคิดว่าท่านยักยอกทองของเขาเปล่าจะเปล่าฉันไม่ได้มาทวงคืน ก็บอกแล้วไงว่าถาวายท่านสตรีนั้นยืนยันเจตนาเดิมอย่างนั้นหรอกหรืออาตมาก็นึกว่าโยมจะมาทวงคืนเสียอีกแล้วนี่โยมมาจากไหนละ่ะผมกับพวกบ้านมาจากพิจิตรครับพวกบ้านเขาจะมารายงานท่านสมภารสามีของนางเป็นคนตอบ รายงานเรื่องอะไรล่ะโยมอุทสามมาจากพี่จิตเทียวหรือทานข้าวทานปลากันมาหรื อ, อยังเรียบร้อยแล้วจะ้ะฉันกับพ่ออีหนูจะมากราบเรียนท่านว่าวันที่ท่านกรุณารับของไว้พอฉันกลับถึงบ้านคืนนั้นแม่ก็มาเข้าฝันฉันบอกว่าขึ้นจากนารกแล้ว ให้ฉันมาขอบคุณท่านสมพานแล้วแกก็ให้ศีลให้พรฉันใหญ่บอกว่าฉันจะร่ารวยเพราะช่วยแม่ให้ขึ้นจากนรกได้แม่ยังบอกอีกว่าต่อไปวัดป่ามะม่วงจะเจริญเพราะท่านสมพานบารมีสูงจะมีคนมาช่วยสร้างศาลาหลังใหญ่ให้สองหลังคนจะเข้ามาปฏิบัติกรรมฐานเป็นพันเป็นหมืน่น เงินทองจะไหลามาเทมาท่านสมพานว่าจะจริงอย่างที่แม่แกพูดไหมจ๊ะนางถามพระเจริญอาตมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็คงต้องคอยดูกันต่อไปโยมก็ต้องหมั่นมาดูนะว่าจะจริงหรือไม่จริงต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองจ้ะ แล้วเธอฉั้นร่ำรวยจริงอย่างที่แม่ว่าฉั้นจะมาช่วยท่านสมพานสร้างศาลาขอบใจแต่ยโยมอ้อเมื่อตะกี้มีผู้หญิงสองคนพี่น้องเข้ามาบอกอาตมาว่าเทวดาไปเข้าฝันบอกให้มารับของขวัญจากสมพานวัดป่ามะม่วงที่มีคนถวายเมื่อสามวันก่อนอาตมา ก็เลยให้สร้อยทองเส้นนั้นไปเขากำลังจะทิ้งพ่อไปอยู่ที่อื่นอจตมาก็ห้ามไว้บอกให้เอาทองไปขายเอาเงินมาเลี้ยงพ่อเขาก็รับปากรับคำโยมเอาบุญไปนะสาธุท่านสมพานธ์ช่างใจบุญเลือกเกินฉันขออนุโมทนาจ่ะนางยกมือประนมเหนือศีรษะ สามีของนางก็ทำเช่นเดียวกันเดือนต่อมาพระเจริญมีกิจนิมนต์ที่บางกอกลูกศิษย์คนหนึ่งมานิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต์งานมงคลสมรสของญาติท่านตั้งใจว่าจะไปหาซื้อหนังสือสวดมนต์ที่สนามหลวง เพื่อนำมาตรวจสอบกับบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลที่เทวดาชวนแม่ทีสวดทุกคืนฉันเพนแล้วนายหล่อจะอรถมารับตั้งแต่รถตกเหวคราวนั้นนายหล่อก็ร่ำรวยขึ้นกว่าแต่ก่อนและสามารถซื้อรถคันใหม่ได้โดยไม่ยอมรับเงินช่วยเหลือจากท่านแม้แต่บาทเดียวส่วนคันเดิมยังอยู่ในก้นเหว ที่อำเภอแม่สอดเพราะไม่สามารถเอาขึ้นจากเหวได้อีกประการหนึ่งรถก็พังยับเยินเกินกว่าจะซ่อมได้เจ้าของจึงจำใจต้องทิ้งไว้อย่างนั้นก่อนที่ท่านจะออกจากกุฏิแม่ชีก็มารายงานว่าหลวงพ่อเทวดาบอกฉันว่าลุงพ่อจะไปบางกอกวันนี้เทวดานี่ ถ้าจะยุ่งมากเกินไปเสียแล้วเที่ยวยุ่งเรื่องของชาวบ้านเข้าไปทั่วเมื่อเดินที่แล้วก็ไปเข้าฝันสองพี่น้องบอกให้มารับของขวัญที่สมพานวัดป่ามะม่วงท่านแกล้งบ่นไปอย่างนั้นเองหรือว่าเทวดาต้องได้ยินร้อนแรกฉ่านก็รู้สึกรำคาญเช่นเดียวกับล้วงผ่อนนั่นแหละ แต่พอเข้าเหตุผลว่าที่ทำเช่นนั้นเพราะต้องการช่วยหลวงพ่อสร้างบารมีตัวเขาเองก็ต้องการสร้างบารมีด้วยฉันก็เลยเอาใจช่วยนี่หลวงพ่อกำลังจะไปบังกอกใช่ไหมแม่ชีก้อนทองถามถูกแล้วโยมเข้านิมนต์ไปเจริญพระพุทธมนต เขาให้ไปพักที่วัดสะเกดกอนี่และที่ฉันมาก็เพื่อกราบเรียนเรื่องนี้ก็คือเทวดาเขาให้มาบอกหลวงพ่อว่าไม่ต้องไปซื้อหนังสือที่สนามหลวงบทสวดมนต์ที่เทวดาสอนฉันสวดมีอยู่ในหนังสือพุทธาพิเศษฉบับสมเด็จพระสังฆราชแพ้ ที่สนามหลวงไม่มีขายให้หลวงพ่อไปขอยืมจากท่านพระครูปรหลัดสงเสงี่ยมอาตมาไม่รู้จักท่านเทวดาบอกหรือเปล่าท่านอยู่วัดไหนบอกจก้ะเทวดาบอกว่าท่านอยู่วัดสุทัศน์หลวงพ่อจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาหาซื้อที่สนามหลวง แม่ชีกราบเรียนสมภารตามที่เทวดาบอกงั้นก็ขอบใจที่มาบอกฝากขอบใจเทวดาด้วยอาตมาไปละแล้วท่านจึงเดินไปขึ้นรถที่นายหล่อติดเครื่องยนต์รออยู่นายหล่อพาพระเจริญมาถึงวัดสัเกตตอนหัวค่ำ พระหนุ่มตั้งใจว่าพรุ่งนี้เช้าหลังจากเสร็จพิธีที่เขานิมนต์ท่านไปเจริญพระพุทธมนต์แล้วก่อนกลับวัดท่านจะแวะไปที่วัดสุทัศน์ตามที่เทวดาให้แม่ชีมาบอกคืนนั้นพระเจริญได้มีโอกาสสนทนากับสมเด็จวัดสเกตสมเด็จท่านชำนาญในวิชาโหราศาสตร์ได้เมตตาสอนวิชาโหราศาสตร์ให้ท่าน หากก็สรุปในตอนท้ายว่าโหราศาสตร์มันก็สู้พุทธศาสตร์ไม่ได้หรอกเพราะถึงจะแม่นยังไงก็เป็นเพียงการคาดเดาส่วนพุทธศาสตร์นั้นหากใครเข้าถึงก็จะรู้แจ้งเห็นจริงแต่ปุถุชนบางหมู่เหล่าเขาไม่อาจเข้าถึงพุทธศาสตร์ได้จึงต้องพึ่งโหราศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่เพราะมนุษย์เรามีสติปัญญาไม่เท่ากันการที่จะให้รู้แจ้งเห็นจริงไปหมดทุกคนย่อมเป็นไปไม่ได้เธอว่าจริงไหมจริงขอรับพระหนุ่มตอบใจจริงนั้นมีปรารถนาจะเรียนโหราศาสตร์แต่เมื่อระลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อเดิมที่ว่าผู้ใหญ่ให้อะไร ต้องรับไว้ก่อนอย่ายิ่งโยโสเป็นแมงป่องท่านจึงต้องรับไว้ก่อนรุ่งเชา้าสมเด็จวัดสเกตได้รับนิมนต์ไปงานมงคลสมรสด้วยและพระสงฆ์อีกเจ็ดรูปที่ไปร่วมในการเจริญพระพุทธมนต์ ล้วนเป็นพระหนุ่มที่อายุพัรษาน้อยกว่าพระเจริญเหตุนี้สมภารวัดป่ามะม่วงจึงได้นั่งเป็นลำดับที่สองต่อจากสมเด็จวัดสเกตคู่บ่าวสาวที่นั่งหมอบฟังการเจริญพระพุทธมนต์ต่อหน้าพระสงฆ์ทั้ง9้ารูปนั้นเพียงมองแวบเดียวพระเจริญก็รู้ได้ทันทีว่าเจ้าบ่าวเป็นผู้หญิงผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิง ประสงค์ก้ารูปจเจริญพระพุทธมนต์จบลงสมเด็จประพรมน้ำมนต์ให้คู่แต่งงานพร้อมประสาทพรว่าขอให้คู่บ่าวสาวจงรักมั่นขวัญยืนครองคู่กันจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะจากนั้นคู่แต่งงานจึงพากันไปใส่บาตรร ะ, จะเจริญแอบกระซิบกับสมเด็จว่า เมื่อกี้พระเดชพระคุณให้พรคู่บ่าวสาวหรือครับก็ใช่นะสิชันว่าอะไรผิดหรือสมเด็จถามเสียงเบาว่าไม่ผิดดอกครับแต่ดูผิดผิดยังไงพระราชาคณะชั้นสมเด็จออกกังขาผิดตรงเข้าใจผิดนะขรับคือพระเดชพระคุณ เข้าใจว่ากำลังให้พรแก่คู่บ่าวสาวความจริงแล้วงานนี้ไม่มีเจ้าบ่าวลองดูใหม่อีกทีสิขอรับสมเด็จจึงหันไปมองคู่บ่าวสาวอย่างพินิษพิจารณาแล้วออกปากว่าจริงของเธอเสียแรงที่ฉันเป็นหมอดูแต่ดูผู้หญิงเป็นผู้ชายไปได้สงสัย จะต้องเลิกเป็นหมอดูเสิแล้วกลับไปนี่จะไปเผาตำราทิ้งท่านพูดพลางหัวเราะเบาๆหันไปมองคนคู่นั้นอีกครั้งแล้วกล่าวว่าแต่เขาแต่งตัวได้แนบเนียนดีนี่นะดูสิใส่เสื้อนอกหวีผมเรียบแปลเลยคนสมัยนี้มีอะไรพิลึกพิลึกนะ นั่นสิขอรับกระผมก็เป็นห่วงอยู่นี่เธอห่วงอะไรเขาละ่ะห่วงว่าเขาจะไม่มีบุตรไว้สืบสกุลน่ะสิครับพระหนุ่มตอบโลกเราเนี่ยมันมีอะไรแปลกแปลกขึ้นทุกวันพวกเราอยู่กันแต่ในวัดเลยตามเขาไม่คอยจัดทันฉันว่าอีกหน่อยคงจะมีผู้ชาย แต่งกับผู้ชายบ้างหรอกนะทีหลังถ้าใครมานิมนต์ไปแต่งงานฉันจะต้องซักถามให้ละเอียดว่าใครแต่งกับใครถ้าเป็นเพศเดียวกันมาแต่งงานกันฉันจะไม่รับนิมนต์ให้เสียทื่อท่านพูดยิ้มยิ้มขอรับกระผมก็เห็นจะต้องทำอย่างนั้นบ้าง เมื่อคู่แต่งงานตักบาตรเสร็จแล้วพิธีกรจึงนำกล่าวถวายสังฆทานพระสงฆ์กล่าวรับอนุโมทนาจากนั้นคู่แต่งงานและญาติโยมช่วยกันประเค้นพัตนาหันแดดพระสงฆ์ทั้งเก้ารูปเสร็จพิธีแล้วพระเจริญจึงกราบลาสมเด็จเพื่อจะกลับวัดขึ้นรถแล้วก็นึกได้ว่าจะต้องไปหาพระครูประหลัดเสงี่ยมจึงบอกนายหล่อว่า ช่วยแวะไปที่วัดสุทัศน์หน่อยฉันจะไปหาท่านพระครูประหลัดสงเง่ยมหลวงพี่รู้จักหรือครับไม่รู้หรอกเข้าไปถามหาคงไม่ยากจะไปยืมหนังสือท่านหน่อยเมื่อถึงวัดสุทัศน์พระเจริญจึงไปถามหาพระครูประหลัดสงเง่ยม ครั้นพบแล้วจึงบอกจุดประสงค์ของการมาพระครูวัยสี่สิบกล่าวว่าหนังสือที่ว่ามีอยู่เล่มเดียวและเท่าที่ผมทราบไม่มีใครมีผมเคยไปหาซื้อแถวสนามหลวงก็หาไม่ได้บอกตามตรงว่าผมไม่อยากให้ยืมแต่เอาเถอะไหนๆคุณก็ตั้งใจมาแล้วผมให้ยืมไปวันเดียวนะ พรุ่งนี้ช่วยเอามาคืนผมด้วยครับผมจะรีบนำมาคืนโดยเร็วที่สุดพระหนุ่มรับคำหนักแน่นทันทีที่กลับถึงวัดพระเจริญก็ให้เนนเฉลียวไปตามแม่ชีก้อนทองมาที่กุฏิของท่าน หลวงพ่อมีอะไรจะใช้ชั้นโรจาแม่ชีถามหลังจากกราบท่านแล้วมีสิไม่งั้นจะให้เนนไปตามทำไมคืออย่างนี้นะอาตามาได้หนังสือสวดมนต์มาตามที่เทวดาบอกแล้วมีอยู่เล่มเดียวจริงๆ ท่านให้ยืมมาวันเดียวพรุ่งนี้ต้องนำไปคืนแต่เช้าอยากจะทดสอบว่าที่เทวดาสอนโยมสวดหนะจะตรงกันไหมอา้าวไหนว่าไปสิท่านเปิดหนังสือหน้าหนึ่งแล้วให้แม่ชีสวดให้ฟังแม่ชีจึงเริ่มต้นสวดช้าๆว่า นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะคะวาสาวัตถิยังวิหะระติเชาตะวะเน อนาถะปิทิกัสอาราเมขณะที่แม่ชีก้อนทองสวดไปอย่างช้าชนั้นพระเจริญดูตามไปด้วยแม่ชีสวดได้ตรงกับในหนังสือทุกตัวอักษรซึ่งช่วงแรกเหมือนกับเมตานิสังสะสูตรต่อจากนั้นก็ไม่เหมือน และสมภา์วัดป่ามะม่วงก็ไม่เคยสวดมาก่อนทั้งไม่เคยได้ยินผู้ใดสวดนอกจากแม่ชีก้อนทองผู้นี้โชคดีที่ท่านหาหนังสือมาได้โดยการช่วยเหลือของเทวดาอย่างน้อยก็เป็นหลักฐานว่าบทสวดมนต์มหาเมตตาครอบจักรวาลนี้พวกเทวดาเขานิยมสวดกันพระหนุ่มคิดว่าจะต้องคัดลอกเก็บไว้ เพื่อนำไปพิมพ์แจกญาติโยมในโอกาสต่อไปนึกขอบคุณท่านพระครูปหลัดเสงี่ยมที่ให้ยืมหนังสือพุทธาพิเศษเล่มนี้มาทำให้ท่านมีหลักฐานที่เชื่อถือได้แม่ฉี ก, ก้อนทองใช้เวลาสวดถึงสามชั่วโมงเต็มทั้งที่บทสวดมนต์มีเพียงส1อหน้ากระดาษของหนังสือขนาด8หน้ายกและมีข้อความซ้ำๆกัน ทำให้ง่ายต่อการจดจำวักสุดท้ายจบลงด้วยข้อความว่าเมตตาพรหมะวิหารภาวนานิทิตาเก่งมากโยมไม่ผิดเลยซักตัวเดียวพระหนุ่ม อ, ออกปากชมก็ฉันสวดกับเทวดาทุกคืน แม่ทีว่าอาตมาอยากคุยกับเทวดาแล้วสิโยมช่วยบอกหน่อยได้ไหมได้จ้ะคืนนี้ท่านจะบอกเทวดาให้แต่เขาจะคุยกับหลวงพ่อหรือเปล่าฉ่านไม่รู้นะแม่ทีพูดตรงไปตรงมาตามความเคยชินไม่เป็นไรช่วยไปบอกตามนี้ก็แล้วกันเอาละโยม กลับไปที่ศาลาได้อาตามาจะขึ้นข้างบนละมานี่ยังไม่ทันหายเหนื่อยเลยเดี๋ยวคืนนี้อาตามาจะคัดลอกบทสวดมนต์นี้ไว้พรุ่งนี้จะได้นำไปคืนท่านตรงนี้หลวงพ่อจะเข้าบาังก อ, อกอีกหรือไม่ชี ก, ก้อนทองถามเข้าสิก็สัญญากับท่านพระครูประหลัดสงเสงี่ยมไว้ว่า จะนำหนังสือไปคืนท่านอาตมาเป็นคนรักษาสัจจะพูดแล้วก็ต้องทำตามที่พูดหลวงพ่อเดิมสอนไว้ว่าพูดจริงทำจริงผู้หญิงรักท่านพูดเล่นแต่คนฟังเข้าใจว่าท่านจะศึกจึงถามหลวงพ่อคิดจะศึกหรือแม่ชีใจคอไม่ดีหากสมพานจะศึกจริงๆ ก็จะขัดขวางจนถึงที่สุดคิดไม่ได้หรือไงอาตมายังหนุ่มยังแน่นท่านแกล้งยั่วแม่ชีวัยใกล้เก้าสิบฉันขอนิมนต์เธอจะ้ะพระดีๆอย่างหลวงพอ่ออย่าได้ศึกเลยอยู่ช่วยงานพระศาสนาไปนานๆนนเถอะ อาตามาก็อยากอยู่หรอกนะโยมแต่โยมอย่าลืมนะว่าคนที่เขาหล่อน้อยกว่าอาตามายังศึกกันไปตั้งมากมายแล้วนับประสาอะไรกับคนหล่อมากอย่างพระเจริญแม่ชีฟังแล้วก็พูดอะไรไม่ออกเพราะสิ่งที่สมภารพูดมานั้นจริงเสยยิ่งกว่าจริง